พระธรรมเทศนาแผ่นที่84ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20่ธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่าได้มาจากชุมชนก็อย่าลืมชุมชน วันนี้เป็นวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2558หลวงพ่อได้ออกจากวัดไปหลายวันนะครับนั า, ายาดโจมลูกหลานออกไปตั้งแต่วันที่14 14ธันวาคมไปขึ้นเครื่องลงกรุงเทพจากนั้นก็ไปพักที่วัดบวรงานพระราชทาน เพิงสรีระเจ้าพกุลสมเด็จพระสังฆราชที่ท่านเป็นถ้าจะเปรียบเทียบก็คือท่านเป็นพระสหายองค์ลงตาลงตาเป็นพระสหายของเจ้าพคุณสมเด็จสมัยท่านเป็นพระน้อยพระหนุ่มอยู่ด้วยกันเรียนหนังสือมาด้วยกันเรียนมาหาปทอมนักธรรม ตโทเอกมหาป ร, รียานรู้จักกันรู้จักมักคุ้นกันอายุก็ไล่เลี่ยกันอายุหลงต า, าปีเดียวกันท่านเกิดเดินสิงหาสิบสองสิงห า, เ, าเจ้าพระคุณสมเด็จก็สามตุล า, าปีเดียวกันห่างกันไม่กี่เดือนเพราะนั้นท่านเป็นสหธรรมิกไปมาหาสู่กันในเมื่อเป็นพระ ผู้ใหญ่ท่านได้เป็นท่านเจ้าพระคุณสมเด็จได้เป็นสาสานะโสมผลญาณสังบอนท่านก็ได้มาเยี่ยมเยิยนวงหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาัดวนหลวงตาวัดป่าบ้านตาดก็ไปพักที่วัดบวรนานเท่านานทีเดียวไปพักที่วัดบวรรู้จักมักคุ้น ตลอดถึงพระฝรั่งถึงชาวต่างชาติต่างประเทศปวดที่วัดบวรเจ้าพรคุณสมเด็จก็ส่งขึ้นมาอบรมที่วัดปาบ้านตาดก็มากตัวมากท่านปัญญาวุโทโธที่เป็นรุ่นแรกท่านเชอร์รี่เดีย้ก็นุกนพันศากระเท้า เท่าๆกันกับหลวงพ่อนะท่านเชอรี่นะห้กว่าพรรษาที่อยู่วัดป่าบันดายังมีอยู่ท่านยังอยู่บวชพร้อมกับท่านปัญญาบวชปีศูนย์แแต่ท่านบวชที่หลังหลวงพ่อนะหลวงพ่อเชอรี่ท่านบวชเดือนหหลวงพ่อบวชเดือนสหลวงพ่อบวชก่อนแต่ปีเดียวกันนี่แหละันนี้ก็คือลูกศิษย์ลูกหาเจ้าพระคุณสมเด็จ พระสังฆราชที่เป็นฝ่ายพระพระฝรัง่งออกไปต่างประเทศก็มีก็เป็นนั้นว่าทั้งสองพระองค์ทั้งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชและพระองค์หลวงตาถือเสมือนว่าเป็นปู่เป็นทวดของพวกเรานนั้นหลวงพ่อลงไปในคราวนี้ครั้งนี้ก็ลงไปเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นตูเป็นปู่เป็นทวด หลวงพ่อจะได้ไปพักอยู่ที่วัดบวรแล ว, วันที่ 14-15 ่าวันที่16เป็นงานเป็นวันพระราชทานเพลิงเจ้าพระคุณสมเด็จจากนั้นหลวงพ่อได้ออกจากวัดบวรไปออกจากงานศพงานพระศพของพระ อ, องค์ที่วัดเทพสิรินพอวางดอกไม้จันเสร็จแล้วก็นั่นหมดแต่ พระราชทานเพลิงน่ะสองทุ่มนะวันนั้นนะวันที่สนะิบหกเลสองทุ่มพวกเราท่านทั้งหลายก็คงทราบแล้วไ่ะพระเดีดูโทรทัศน์กันทั่วบ้านทั่วเมืองเขาอธิบายให้ฟังชัดเจนอยู่แล้วนะแต่หลวงพ่อเสร็จแล้วหลวงพ่อวางดอกไม้จันร์หลวงพ่อก็ออกมาพักที่วัดสวนแสงธรรมพุทธมนตรสายสามวัดหลงตาของเราจนะากนั้นวัวนที่ส8บป วันที่สิบเจ็ดฉันที่สวนแสงธรรมก็รู้สึกพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็ล้นหลามเหมือนกันนะวันที่สิบเจ็ดบินทบาทฉันที่สวนแสงธรรมวันที่สิบแปดมาฉันที่ช่างฝ่ายฝ่ายช่างการบินไทยที่ดอนเมืองรู้สึกว่าคนเยอะอีกเหมือนกันเพราะบอกพนักงานอย่างเดียวก็หลายหมื่นหลายหมื่นคนแล้ว แต่เขาคงจะไม่มาทุกคนหรอกแต่ว่าก็พี่น้องประชาชสนสมทบเข้าไปอีกกูวันนั้นครูบาอาจารย์ก็บยี่สิบัวรูปที่ช่างฝ่ายช่างการบินไทยพอฉันจะขันเสร็จลงพ่อก็บินลงไปกรุงเทพบินไปภูเก็ตนะทีนี้พอเที่ยงก ว, กว่กขวาลุงพ่อนั่งเครื่องใกล้สนามบินะบินลงไปกรุงภูเก็ต ไปตกตอนเย็นเขาก็ในมนแสดงธรรมที่วัดหลังสารวัดหลวงปู่เทศเก่าวัดสมณบำเพำ็ญสมณกิจวัดดังหลังสารประมาณสองทุ่มหลวงพ่อแสดงธรรมจบแล้วพอตอนเช้าคนตักบาตรลดหลามพอสิบนาทิการวมกันวางศีละเลิก เ่อสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทศเทศรังสีที่วัดหินมะเป้งนะพราท่านไปสร้างวัดท่านพาหมู่คณะลงไปกรุงเทพตั้งแต่ก่อนหลวงปู่มั่นมรณภาพตั ว, ต ว, ตวท่านลงไปก่อนนะไปสร้างวัดอยู่นู้นหลวงปู่มั่นมรณภาพปี2492นสท่านท่านลงไปก่อนไปสร้างวัด จากนั้นเมื่อหลวงปู่มั่นมรณะภาพแล้วก็ท่านก็ชักชวนหมู่พวกเพื่อนที่ทางอีสานมีหลวงปู่เหรียญหลวงปู่คาพองหลวงปู่ล่าหลวงปู่จวนปู่วันหลวงปู่มหาปิ่นหลวงปู่สามไปมากนะกูบายอาจารย์ทางอีสานลงไปทางภูเก็ตเนี่ยเลิกระจายไปทั้งพังงาด้วยทั้งกระบี่ด้วยในระแวกนั้น จึงมีเสื้อสายพระกรรมาฐานสายหลวงปู่มั่นกระจายอยู่ในทินฐานทางภาคใต้มีหลายวัดที่วัดหลักก็คือนี่แหละวัดบำเพ็ญสมรถกิจวัดหลังสารหลวงปู่เทศเป็นหลักอยู่ที่นั่นจากนั้นหลวงปู่ท่านสุขภาพไม่ดีท่านก็ลาออกเจ้าคณะจังหวัดท่านก็ขึ้นมาจำพรรษาที่วัดถ้ำขามอำเภอพารณานิคม จังหวัดสกลนครเป็นวัดหลวงปู่ฟัน่นจากนั้นท่านก็เลยมาจำรรษาที่วัดหินหมักเป้งจังหวัดน้องคายท่านก็ามาจำภรษาได้มาตลอดจากนั้นท่านก็ได้มรณภาพลปงไปแต่ที่ยังไงก็จะเป็นฝีไม้ลายมือของหลวงปู่เทศที่ท่านไปสร้างทางปูเกตพังงากระบี่พวกเราเป็นลูกเป็นหลาน มาถึงยุคนี้สมัยนี้ถึงท่านจุตุตินิรพานจุตุติไปแล้วพวกเราในฐานะลูกหลานก็ควรจะสร้างถาวรวัตถุให้เป็นที่ระลึกก็เลยรวบรวบรวมกันสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ขึ้นที่วัดหลังศาลนี่นะ่ะนิมนต์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็ถือว่าสำคัญจำเป็นสำคัญเพราะว่าที่เป็นเจ้าอาวาสก็คือเป็นลูก เป็นรุ่นน้องของหลวงพ่อเป็นลูกศิตหลวงตาแต่วัดนั้นเป็นวัดหลวกหลวงปูเทศแต่ที่ไปอยู่เป็นลูกสิตของหลวงตาเป็นสืบสืบทายาทไปเจ้าอาวาตก็นิมนต์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็เห็นว่าควรจะไปส่งเสริมควรจะให้การสนับสนุนเพราะจะสร้างขึ้นมากบเพื่อชื่อว่า เจดีพิพิธภัณฑ์เทศเทศลังสีลกักยานะสัมปันโนใกล้ๆว่าอยู่ในหลังเดียวกันหลวงตามหาบัวกับหลวงปูเทศเป็นที่ระลึกของพี่น้องประชาชนของภูเก็ตพังงากระบี่วางชิละาเลิกตอนสิบโมงกว่าเสร็จแล้วก็หลวงพ่อก็ได้บินตรงขึ้นมาอุดรเลยนะ นั่งเครื่องจากภูเก็ตขึ้นอุดอรจากนั้นก็มาพักที่อุดอรเมื่อเช้าเนี่ยมาฉันอยู่ที่บ้านนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดหนองคายท่า น, นมนวันเกิดของท่านก็มีท่านรองปลัดกระทรวงเข้ามาร่วมด้วยรู้สิโอเจ้านายใหญ่หลายคน เมื่ว่าฉันจังหวเสร็จหลวงพ่อก็เลยกลับมาวัดน่ะลูกหลานนี่แหละการเดินทางของหลวงพ่อไปคราวนี้ครั้งนี้เป็นเวลาถึงหกเกือบเจ็ดวันนะหกวันกว่ากว่าจมาถึงวัดอพอมาถึงวัดตอนไปหนาวก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะพอกลับมามาเจอหนาวแปบลบว่าหนาวมันมันย่องเข้ามาตามหลังหลวงพ่อตอนตรวงพ่อออกไปจากวัด พอหลวงพ่อออกไปจากวัดหนาวมาเลยย่องเข้ามาตามหลังหลวงพ่อพอหลวงพ่อกลับมาเนาหนาวปิดประตูเออวัดเลยนพอมาหนาวเฉียบเลยแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวมากนะกันหนาวพอดีๆถ้าหนาวมันหนาวกว่านี้นะลูกหลานให้ลูกหลานเตียงผ้าห่มไว้ก็แล้วกันนะพวกที่มาใหม่พอวันมันทีมันหนาวหลวงพ่อว่าประมาณสิบหกนะแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ได้ถาม ส5 16หนาวขนาดนี้นะถ้าเป็นปลอดเครื่องวัดน่ละหลวงพ่อลงไปกรุงเทพรู้ว่าไปสถานที่ต่างๆกับไปเพื่อพี่น้องประชาชนแต่ว่าเมื่อวานนีก็เนี่ยพระลูกพระหลานก็ขึ้นมาจากกรุงเทพจากวัดบวรมาพักปฏิบัติก็ให้ตั้งอกตั้งใจ ภาวนานพาอลูกพหลานทั้งหลายแต่เมื่อวานก็หลวงพ่อได้พูดแนแนวเป็นเบื้องต้นให้ลูกหลานได้ฟังว่าการมาอยู่ป่าควรระวียงระวังอะไรบ้างพวกสัตว์มีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรแลพวกสัตว์ในวัดของเรากันแต่ทางในครัวก็ช่วยชวยดูนะระบอกระวังกันเรื่องชนีไอชนีดำทุกวันนีมาเกิด คงจะหายซ่าแล้วมั้งแต่ก่อนมันจะซ่าเดี๋ยวเป็นนักเลงเพอจงควรนะไอ้ชะนีดําอ่ะมันชอบอารวาสแต่ทุกวันมันแก่แล้วก็คงจะไม่มีแต่ถึงยังไงก็ให้ทางในครัวระวังระวังแต่ของนอกนั้นก็คงไม่มีสัตว์ที่มันไม่มีอะไรที่ในวัดของเราแต่ก็ระวังเท่านั้นแหละแต่ถนนหนทางเราก็ เตียนอยู่แล้วกว้างอยู่แล้วประมาณสองเม็ดพวกศว์สารและสิ่งเราก็มองเห็นถ้าเราไม่ใช่ว่าเราหลับงูหลับตาล้วคุยกันไปเพลินอย่าไปทำนะต้องเดินด้วยความระมัดระวังเพราะเราอยู่ในปา่าเนี่ยลงพ่อก็ได้พูดให้พระลูกพระหลานฟังในการอยู่ปา่าพระทุดงอันนี้เรายัง อยู่ในความปลอดภัยอย่างมากนะถ้าหาว่าเราไปอยู่ตามลำพังอยู่ป่าดวงพงไพยจริงๆเดินลงมามีแต่ใบไม้มีแต่งๆลากไม้มีแต่งแต่โคดหินนะอันนั้นจิงอันตรายเราลงมาต้องจะเหยียบย่างก้าวลงไปแต่ละเหยียบแต่ละครั้งเนะี่ยต้องดูความปลอดภัยในการก้าวเดินของตนเองเนี่ยภาคกรรมถ า, าน ระวังในการเป็นอยู่พอเราอยู่ในกับหมู่สัตว์อสรพิษทั้งหลายมีมากมายที่อยู่ในป่ารงพงไพ่แต่เราเรามาอยู่ที่นี่เราก็อยู่แบบมีอยู่พวกสัตว์แต่เราก็พยายามกัน้นเตรียมพร้อมดูคือไม่ให้สัตว์เข้ามาใกล้จนเกินไป อันนี้ก็คือการ <c oughs> เป็นอยู่การเป็นอยู่ของพระในวัดก็ไม่เคยมีนะยังไม่เคยมีที่งูมันจะกัดฉกพระก็มีตะกอนก่อนหน้านั้นมีอยู่แต่รถก่อนที่เราเรายังไม่ได้ทําถนนพอเหตุใด เ, เพราะบางคืนพระก็เดินไปแล้วก็งูพวกงูเขียวหางไหม้มันฉก พระก็คงจะเฉลิ่คงชลาาใจนั่นแหละไม่คิดว่ามันจะมีนะแต่สัตว์มันก็ดูตามภาษีภาษาของมันเมื่อไปเจ็บหางของมันมันก็โกรธเหมือนกันนะไปเย็บหางมันไปเจ็บกลางตัวมันเนี่ยมันก็เอาตัวรอดของมันเหมือนกันจะว่ามันรุร้ายก็ไม่ใช่เราเซอร์ไปเองไปเยียบหลังมันมันก็โกรธเจยบหลังมัน เ่ละตรงเราต้องเรามันระวังแล้ ว, วาการเป็นอยู่ของพระธรรมการเป็นอยู่ของพระกรรมฐานก็นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดวิธีการปฏิบัติเยแล้ววิธีการนำเนินชีวิตหลวงพ่อก็ได้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพระลูกพระหลานผู้เข้ามาศึกษาผู้จะอยู่ดำร ง, รงสงศาสนาต่อไปก็มีผู้ที่เข้ามาแล้วก็ บวชชั่วคราวบวชเพื่อทดแทนพระคุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็มีบวชเพื่อการศึกษาเรียนรู้ของ พ, พระพุทธศาสนาก็มีมีหลายการบวชมีหลายมีหลายอย่างมีหลายแนวแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกๆุกท่านบวชเข้ามาแล้วก็ ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยให้ศึกษาศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่หลวงพ่ออยากจะเน้นเรื่องพระใหม่กูบาใหม่ทั้งหลายที่เป็นลูกหลานใฝ่ในฝ่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของเรื่องพระพุทธศาสนาหลวงพ่ออยากจะพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษา กาศึกษาอยู่ในในแนวแนวแถวนะานเลืก่วศึกษาให้ส่วนส่วนลึกก็เป็นส่วนลึกนะถ้าส่วนการเป็นอยู่ด้วยด้วยการในชุมชนสังคมการวางตัวในชุมชนสังคมในการเป็นอยู่ในระหว่างการบริหารจัดการพ่อแม่ญาติพี่น้องญาติโกโหติกาการเป็นอยู่ พระพุทธเจ้าท่านก็สอนในระดับนี้อีกแต่ถ้าว่าเขามาบวชอย่างเที่พวกเราเขามาบวชบําเพ็ญอยู่ในป่าโรงพงไผ่ท่านก็สอนอีกให้ภาวนาอย่างไรทำกับกิริยาอย่างไรเดินยงกบอย่างไรนั่งธรรมิภาวนาอย่างไรดูจิตใจของตอนเองอย่างไรอันนี้ท่านก็สอนแต่ถ้าเมื่อเราเป็นฆรวาสเราท่านก็สอน เป็นครวัตให้มีคุณธรรมอย่างนี้นะศีลธรรมอย่างนี้นะจริยธรรมอย่างนี้นะควรจะวางตัวอย่างนี้นะอย่างยกตัวอย่างที่ท่านสอนสิงคาลมานพในครั้งพุทธกาลสิงคาลมานพเป็นบุตรของเศรษฐีของกุงพลนันของกุงราชคฤห์ ราชะคือพระกุงสวัสดีหลวงพ่อก็จำไม่ชัดนะแต่ว่าเนื้อเรื่องเนื้อหาสาระเนีคือเป็นลูกเศรษฐีไปเรียนหนังสือเมืองตะกัตสลาเป็นคนหนุ่มพอเรียนจบวิชาวิชาที่ตรงเองต้องการคงจะเป็นวิชาธรรมะค้าขายน่ยเพราะเมืองตะกัตสลาเป็นเมืองที่ให้วิชาความรู้กับ นักศึกษาทั่วประเทศอินเดียสมัยโบราณนะแต่ว่าเมืองตะกะชิลาเนี่ยเมืองตะกะศิลาทุกวันนะี่คือเมืองทาลีบันนะลูกหลานนะทาลีบันทุกวันนี่แหละคือเมืองตะกะศิลาเก่าแก่ของอินเดียที่พูดในพระไตรปิฎกพูดมากเลยนะทิะ ป, ปาโมกอยู่เมืองตกนะกะศิลาสอนศิษยนะ์ทั้งหลายที่ไปเรียนหนังสือไปเรียนหาวิชาความรู้จาก อาจารย์ทิตต์ปาโมก น, นี่แหละจากนั้นก็สิงค์าลมานพเนี่ยก็ไปเรียนเรียนวิชาวิคิวิชาบริหารจัดการเรื่องเพราะท่านเป็นลูกเศรษฐีพอจบแล้วก็ท่านก็กลับมาพอกลับมาพ่อป่วยพ่อป่วยพ่อก็เลยสั่งลูกสั่งลูกชายเรียกลูกชายเข้ามา ลูกมาก็มพ่อก็เลยสั่งเป็นคําสั่งเสียของพ่อที่กําลังป่วยหนักลูกเอ้ถ้าจะลูกจะบริหารจัดการทรัพสมบัติให้จะได้รับความรุ่งเรืองจเจริญ ร, รุ่ o n เรืองให้บริหารให้มันถูกต้องนะลูกนะให้ให้บริหารให้ถูกต้องให้เคารพคารวะ กาบไหว้ทิศทั้งหกนะลูกนะให้เคารพสั ก, กระกบาบไหว้ทิศทั้งหกถ้าหากว่าอ่อนน้อมทอมตนกาบไหว้เคารพคารวะทิศทั้งหกมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวถ้าหากว่าทำไม่ถูกนะมีปัญหานะลูกนะพ่อขอสั่งลูกเท่านี้แหละนะให้ลูกลูก เคารพคารวะกราบไหว้ทิศ ท, ทั้งหกพ่อพูดจบแล้วท่านพ่อก็ไม่นานทนะ่ากันเลยมรณ ะ, ะไปพอมรณ ะ, ะไปได้ลูกชายที่เรียนจบมาบจากเมืองตะกัิลานี่แต่ก็จัดงานของพ่อสมเกียรติเพราะท่านเป็นเศรษฐีพร้อมกับคณาญาติทั้งหลายดันั้นเขาก็ยกให้ท่านสิงคาลมานพเนี่ย เป็นผู้ชอบจืบทอดมรดกเป็นเศรษฐีต่อไปในเมื่อท่านได้รับตำแหน่งนี่้วก็ท่านก็ระลึกถึงพระคุณของพ่อที่พ่อสั่งว่าให้เคารพคารวะกราบไหว้ทิศทั้งหกก่อนนะลูกนะบริหารจัดการจึงจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ให้อ่อนน้อมถ่อมตนนะลูกนะแต่นี่คำนี่แหละ สิงหาลมามนกก็ไม่ได้ถามว่าทิศ ท, ท, ทั้งหกนั่นคืออะไรก็คิดในใจอืมทิศ ท, ทั้งห อ, อ่อนน้อมก็คือกราบไหว้กยกมือไหว้แสดงความเคารพสักการะจากนั้นสิงหาลมามนกก็ออกไปในชายป่าอชาชัยสนามทุ่งสนามหญ้าจากนั้นเขากยกมือไหว้ทิศตะวันออกยกมือไหว้ทิศตะวันตก ยกมือไหว้ทิศเหนือยกมือไหว้ทิศใต้ยกมือไห ว, ว้ลงแผ่นดินเนื่อพื้นดินแล้วก็ยกมือไหว้บนอากาศครบครบหกพอดีเอทิศทั้งหกอันนี้ก็อ่อนน้อมก็คือโค้งกายน้อมกายเคารพนมมือน้อมกายเคารพทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องต่ำหรือทิศเบื้องสูง ครบหกพอดีสิงคารละมานพไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวไปกราบออกไปชายทุ่งแล้วกันข้างสนามที่ปลอดภัยแล้วกันนะั่นยกมือไหวแต่คนทั้งหลายไม่รู้ว่าท่านทำอะไรแต่สิงคารละมานพนรู้แก่ใจว่าพ่อสั่งพ่อสั่งให้อ่อนน้อมถ่อมตนกราบไหว้คาระวะต่อทิศ ท, ทั้งหก ทําอย่างโดยสม่าเสมอทั้งฝนตกทั้งหนาวอย่างนี้แหละตอนเช้าออกไปหิมะมขนาดไหนออกไปไม่ให้ขาดพราพ่อสั่งจนวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทรับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ท่านนั่งสมาธิตอนจวนสว่างใกล้รุ่งสิงขาลมสิงขาละานพเข้าไปในข่ายคือพยาน เขาไปในญ า, นราณรัตนะของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเข้าไปในจอเรดาร์ของพระพุทธเจ้าลักษณะยากระดอบพระองค์ก็มองดูเอ๊ะสิงขาลมานพทําไมเขาจึงมากเข้ามาในข่ายเพราะอะไรเออสิงขาลมานพนี่เขาเรียนจุกวิชามาแล้วได้รับตําแหน่งเศรษฐีจากพระบิดาจากบิดาแต่ทั้งบิดาก็สั่งว่าให้เขาเคารพคารวะทิศ ท, ทั้งห แต่เขาทำนี่ผิดผิดไม่ถูกไม่ไม่เป็นตามโบราณาโบราณประเพณีราชโบราณประเพณีของคนโบราณแต่ทิศ ท, ทั้งหนั้นถูกต้องที่พ่อสั่งแต่ว่าการกระทำของสิงขาลามานพนี่ไม่ถูกทำไม่ถูกเราควรจะไปสอนเขาควรจะไปโปรดเขาจากนั้นพระ อ, องค์ก็ออกจากสมาบัติ สมาธิเอทั้งค่พระอนุนก็เดินตามเป็นปัจฉายสมณะไปบินธบาติผ่านไปที่สิงขาลมานพขากําลังยกมือไหว้ปลอกซ้ายปลอกขวาอย่างนะเอปลอกหน้าปลอกหลังเไงพระองค์ก็ถามสิงขาลมานพเธอทําอะไรสิงขาลมานพกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์กราบไหว้คารวะทิศทั้งหกพระเจ้าขา่า เธอได้ศึกษามาจากไหนได้เรียนมาจากไหนพระบิดาบิดาของกระผมสั่งพระเจ้าค่าก่อนที่บิดาจะจากไปบิดาสั่งว่าให้เคารพคารวะอ่อนน้อมที่ต่อทิศทั้งหกข้าพระข้าพรองค์ก็ได้มาททำตามคำบิดาสั่งพระเจ้าข่าจากนั้นพระองค์บอกว่า ไม่น่าจะถูกนะสิงขาละมานพเธอทำอย่างนี้เธออยากจะรู้ไหมว่า เ, ออเธอได้ถามคําถามจากพ่อแม่ว่าทิศทั้งหกนั่นคืออะไรสิงขาละมานพตอบไม่ได้ไม่ได้ถามพระเจ้าค่ะเพราะข้ า, ขาพระบิดาของข้าพระองค์ป่วยอยู่ท่านก็สั่งสั่งทำนีนะ้ผมก็เข้าใจอย่างที่พ่อสั่งไม่น่าจะถูกนะออตาม โบราณการหรือว่าตามปาดิโบราณเขาสั่งสอนกันมาเธออยากจะฟังไหม อ, อยากจะฟังพระเจ้าข่านะเอาถ้าฟังตั้งใจฟังสิงขาละมาณ ก, กุปปนมเมืองฝังพระพุทธเจ้าสอนโบราณนการบุรพาจาน เ, าเก่าแก่เขาสอนกันว่า ทิศทั้งหกนั้นไม่ใช่อย่างทิศอย่างที่เธอถักผู้เธอคิดได้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องต่ำทิศเบื้องสูงแต่โบราณนักโบราณปุรผาอาจารย์เขาสอนว่าทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหาย ทิศเบื้องต่ําลูกน้องบริวารทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์นี่แหละคือทิศทั้งหกและปฏิบัติให้ถู ก, ท, กทําต่อใ้สุขต่อทิศทั้งหกนั่นคือทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาที่ท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํำรงวงศ์สกุล ประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือทิศเบื้องหน้ามารดาปิดาบุตร ธ, ธิดาทุกคนที่เกิดมาจากพ่อแม่ควรปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศกุลประพฤติตน ให้สงควรควรรับทรัพย์หมอระดกเมื่อท่านหลวงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังสามีภรรยาการอยู่ด้วยกันอย่าเอารัดเอาเปรียบกันให้ครบสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะสามีภรรยาคือคู่ชีวิตพึ่งพาอาศัยกันอันนี้คือทิศเบื้องหลัง เทศเบื้องขวาครูบาอาจารย์คนเราเกิดมาต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวตั้งแต่เรียนกอไก่ถึงหอนกูกจากนั้นก็วิชาอาชีพต่างๆการล้วนเหลือจากเรียนมาจากครูบาอาจารย์ในเมื่อเห็นครูบาอาจารย์ก็ให้ความเคารพในครูบาอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์เข้ามาในวง สนทนาและวเขามาในวงลุกขึ้นยืนรับเขาไปเข้าไปคอยรับใช้ด้วยอุปถากด้วยเรียนศีลปะวิทยาสอบถามวิ ช, ชาความรู้ที่ตัวเองค่องใจจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับเราไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพคารวะกับครูบาอาจารย์อันนี้คือทิศเบื้องขวา เทศเบื้องซ้ายมิตรสหายคนเราเกิดมาต้องมีหมู่มีเพื่อนมีพักมีพวก เ, เราต้องให้ความครบอย่าไปหักหลังหมู่พวกเพื่อนอย่าไปเอารัดเอาเปรียบหมู่พวกเพื่อนอหมู่เพื่อนเป็นยังไง เ, เป็นคนดีหรือเป็นคนเลวเราต้องดูถ้าว่าเราควรจะเลือกครบแต่คนดีเรียกว่ากันระยานะมิตรมิตรที่ดีถ้ามิตรที่เลวเรวาปาประมิตรมิตรชั่ว เราอย่าไปคบมิตรชั่วให้เลือกคบมิตรดีครบคบกัลยาณมิตรมิตรที่ดีแนะนําไปในทางที่ดีเกื้อกูลหนุนกันในทางที่ดีถ้าปลาประมิตรเลยชักชวนไปในทางที่ชั่วชักชวนดื่มน้ําเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการผนนันคบคนชั่วเป็นมิตรขายยาบ้ายามา้마คัญชายาฝินทํามารค้าขายในทางที่ไม่ถูกต้องนั่นแหละว่าปลาปะมิตร ถ้าเป็นการยาณมิตรเนี่ยชักชวนเป็นทางที่ถูกต้องอันนี้ก็คือทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ําลูกน้องบริวารคนเราต้องมีลูกน้องต้องมีบริวารเป็นเครื่องเครือคุ้นหนุนถ้าว่าพวกเรามีบริวารไม่ดีไ ม, ม่มีคนรับใช้ที่ดีไม่มีลูกมือที่ดีอย่าหวังเลยว่าบริษัททางร้านนั้นจะไปได้เพราะฉะนั้นลูกน้องบริวารเราก็ต้องดูแล เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรอาหารการบริโภคอย่างไงผลประโยชน์เราต้องแบ่งแบ่งปันให้กับลูกน้องบริวารอันนี้เรียกว่าทิศเบื้องต่ําบาในเมื่อเราดูดูแลเขาเขาก็ต้องดูดแลเราเนี่ยแหละลูกน้องลูกน้องกับเจ้านายอันนี้เรียกว่าทิศเบื้องต่ําลูกน้องบริวารคือบ่าวทิศเบื้องบนส ม, มณะพราม์ส ม, มณะพราม์กัเนเี่ย เราควรจะเข้าไปหาส ม, มณพราหมณ์เป็นบางคลัางคราว เ, าเข้าไปแล้วก็ถามถ่ายเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมควรจะวางตัวยังไง ส, ม, ม, ส ม, มณสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลก็จะแนะนำคุณละบุตรให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ควรทำเชิงไหนที่จะเป็นคุณเิงไหนที่จะเป็นโทษอันไหนเป็นบาปอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นคุณอันไหนเป็นโทษ นรกสวรรค์มีนะสิ่งที่มันชั่วอย่าทำนะทําแต่สิ่งที่ดีคิดดีทำดีพูดดีถ้าว่าเราทําชั่วความชั่วจะให้ผลเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อเราทําดีแล้วความดีจะให้ผลมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนี่แหละสมณะพราหม์ท่านอกจะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้กับกุลระบุตผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เเข้าไปไม่ใช่เข้าไปไปแข่งความรู้กับท่านไม่ใช่นะ เ, เข้าไปแล้วอ่อนน้อมส่อมตนถามถทยจำพรนษพรามท่านก็จะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่านี่แหละสิงขาลมานพขลาวหกถ้าเธอทำอย่างนี้ได้มีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวไม่มีความเสียหายเป็นอย่างอื่นในการรารงชีพของเธอของเธอ เพราะนั้นเธอให้นำไปปฏิบัติถึงพ่อแม่ล่วงรับไปแล้วก็ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเพราะร่างกายของเราเนี่ยทั้งร่างเนี่ยเป็นของท่านท่านให้มาตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยเราได้มาจากพ่อจากแม่ในเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วก็อย่าลืมพระคุณของท่านให้ระลึกถึง เ, เราจะงมีร่างกายอยู่เราก็จงทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเนี่ยทิ เบื้องหน้าทิศเบื้องหลังสามีภรรยาให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเป็นครูชีวิตกันอันนี้คือทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ําลูกน้องบริวารทิศเบื้องบนสมณะผลามณ์ถ้าเธอทําถูกครวะต่อทิศทั้งหกถูกต้องนั่นแหละความเจริญจะเกิดกับเธอตลอดไป อันนให้พวกเราฟังเอาไว้พระพุทธเจ้าสอนสิงขารหมานพเด็กหนุ่มาการวางตัวอย่างไรในเมื่อเราเป็นคระวา่าตปฏิบัติตนอย่างไรถ้าปฏิบัติตนถูกต้องตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนหลวงพ่อเนี่แหละมองไม่เห็นที่ความจากความหายยนะจะเข้ามาสู่พวกเรามีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ พระอนุกโอ้ยพระลูกพระหลานทุกองนะตรอดถึงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าให้นำํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้สอนเอาไว้นะมาเป็นกระจกเงาเราอยู่ในสถานะไหนอยู่ในสถานะไหนในทิศในทิศทั้งหกนั้นเราปฏิบัติให้ถูกต้องในเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องแล้วนะความสุขกายสุขใจ ในราบราบยศชนะเสริญสุขจะเข้ามาสู่พวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเราทําไม่ถูกนะความจิบหายนะความจิบหายจะตามเข้ามาหาพวกเรามีแต่ความเรือดร้อนฟุ่นไหวเนะพราะเราทําไม่ถูกนะเอาวันนี้หลวงพ่อได้พูดอะไรให้สัตยาญาณโยมลูกหลานพ้านเนนยืดยาวพอสมควรเอาต่อเ น, นี้ไปหลวงพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในที่นี้นะ